บทที่สามสิบเมตตาปริศล้านชายรับสายตาแล้วยายก็หมดเรียวแรงแข้งขาอ่อนปวกเปียกแม่จวนต้องเรียกลูกสาวมาช่วยกันประคองมารดาเข้ามาข้างใน จะทำคนเดียวหรือก็ไม่ไหวด้วยยายตัวใหญ่และอ้วนกว่ายายเป็นลมหรอจ้าแม่นางสาวจำแรงถามมารดาแม่เป็นลมหรอจ้าแม่จวนไม่แน่ใจถึงถามยายอีกต่อหนึ่งสงสัยจะเป็นลมคนอายุย่าง8ปสบห้าหลับตาตอบมีน้ำใสไหลออกมาจากหน่อยตา ทั้งสองข้างก็ดีสิยายเป็นลมหน้าดีจะได้ไม่ร้อนนางสาวจำแรงพรองออกมาคราวนี้ยายเลืมตาด่าหลานสาวว่านางเด็กเวนไม่รู้จักกาละเทศะแม่จวนทำไมไม่รู้จักอบรมบ่มนิสัยลูกสาวบ้างแม่จวนพลอยถูกตำหนิไปด้วย อย่าไปถือสาหาความอะไรกับมันเลยจ้ะแม่นางคนเนี้มันไม่ค่อยจะเต็มบาทเต็มเต็งเหมือนชาวบ้านเขาทิดพองยังเรียกมันว่านางสามสลึงลูกสาวยายพูดเข้าข้างพี่สาวหนุ่มเจริญเอาเลยช่วยกันรุมว่าข้าให้แหลกไปเลยข้าไม่เถียงแล้วประเดี๋ยวจะมาหาว่าอากตัญยูไม่รู้บุญคุณคนอีก วันนี้อิจำแรงขอแสดงความกระตันยูให้แม่และยายได้ด่าตามสบายเชิญเลย จ, จะ้ะร่อนลอยหน้าลอยตาท้าทายอย่ามัวแต่มาพูดมากไปหายาหม่องยาดมมาเร็วเข้าแม่จวนว่าอยู่ที่ไหนและยายยาหม่องยาดมอยู่ที่ไหนรอนถามเจ้าของเรือนอยู่ในเช่นหมากนั่นยายตอบ เลิกกินหมากแล้วเช่นหมากของยายก็กลายเป็นที่เก็บยุกยาประจำบ้านก็หลานชายคนโปรโดนั่นแหละเป็นคนแนะนำนางสาวจำแรงลุกขึ้นไปยกเช่นหมากมาตั้งข้างๆคนเป็นลมแม่จวนจัดการเยียวยาให้มารดาพร้อมกับบีบนวดให้ดีขึ้นไ้ยจ้ะแม่ค่อยอยังชั่วแล้วยายตอบทั้งๆ ท, ท, ที่หลับตา นางสาวจำแลงก็มาช่วยเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ผู้บังเกิดเกล้าของมารดาหักอกหักใจเสบ้างเถอะแม่ไอ้หนโูเข้าไปดีทำลืมๆเสียเดี๋ยวเขาก็กลับมาเชียร์คาสักครั้งเถอะมารดาหนุ่มเจริญปลอบผู้บังเกิดเกล้าทั้งที่เธอเองก็ไม่อาจจะหักใจได้น้ำหูน้ำตาไม่รู้มาจากไหน หลายพร า, พรากยังกับทำนบพังก็ค่าเลี้ยงของข้ามาตั้งนานคราวนี้ยายลิมตาพูดแล้วข้าไม่ยิ่งกว่าแม่หรฤึเขาเป็นลูกชายคนเดียวของข้าแม่ยังมีลูกชายตั้งหลายคนพูดพรางใช้แขนปาดน้ำตาแต่ข้าไม่เดืรักคนไหนเท่าไอ้หนูของข้า ลูกๆพากันทอดทิ้งข้าไปอยู่กับพัวกับเมียมีแต่เขานั่นแหละถึงไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกเขาดีต่อข้ายิ่งกว่าลูกแท้ๆด้วยซ้ำยายถือโอกาสตำหนิลูกๆแต่ถึงจะโศกเศร้าไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นมาสู้ไปไหว้พระสวดมนต์ให้เขาดีกว่าคนเป็นลูกชักชวน คำพูดของบุตรสาวทำให้คนที่เป็นจุลโสดาบันระลึกได้จึงพูดขึ้นว่าจริงของเองข้าเป็นสิทธิพระพุทธเจ้าเหตุไฉนจะมาเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องแค่นี้จำได้แล้วบทสวด ร, ร, รมวัดเช้าที่ข้าสวดอยู่ทุกวันอ ป, ปโโอปิเยหิสัมปโยโคทุกขปิเยหิ วิปโยโคทุกโขความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์พูดพลางปลายตาไปทางหลานสาวเพื่อจะบอกว่าหล่อนคือสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เห็นจะยากเลยยายถ้ายายทุกข์เพราะอยู่กับคนที่ไม่รักยายก็ทําใจให้รักเขาซิสิจะได้ไม่ทุกข์ นางสาวจำแลงแนะนำข้าจะพยายามยายแบ่งรับแบ่งสู้ข้าจะช่วยยายรับรองว่ายายจะต้องลืมเจ้าแกะไปเลยละ่ะเพราะอย่างน้อยข้าก็จะไม่โกหกยายไม่ขโมยเงินยายไปเล่นทอยกองนางจำแลงยายเรียกชื่อหลานสาวด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังจ้า จะของชื่อขานรับเสียงหวานยังจะมาทำหน้าทะเลนนี่นะข้าจะสอนเองให้รู้ขอให้จำใส่ใจไว้เลยว่าคนดีจริงเขาจะไม่เอาความไม่ดีของคนอื่นเข้ามาพูดเพราะการกระทําเช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเองน่ะไม่ใช่คนดีคนที่ว่าคนอื่นเปล่าเปลว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้ และยกตัวอย่างดีเลิศประเสริฐกว่าใครๆคนฉลาดเขาฟังแล้วเขาก็ตัดสินได้ทันทีว่าคนนั้นหาใช่คนดีจริงไหมนอกสจากคนโง่เท่านั้นที่จะออออหอหมกด้วยจำเอาไว้ยายหายเป็นลมแล้วใช่ไหม ราคาทีเดียวนั้นเนี่ยหลานสาวครานที่จะฟังยายเทศจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสทันใดไม่ใช่เพราะเองหรอกแต่ข้าทำใจเองได้ต่างหากยายไม่ยอมยกความดีให้หลานสาวแม่ข้าว่าเราเข้าห้องพระไปสวดมนต์ให้ไอ้หนูดีกว่าแม่จวรชวนมารดาดีเหมือนกันเมื่อเช้า ข้าก็ให้ไอ้หนูทำวัดเช้าพร้อมข้าไปห น, หนึ่งแล้วแต่ลืมชวนเขาสวดกรณียไม่ตัดสูตรเองสวดได้ไมหมเชรึได้จะ้ะข้าสวดอยู่ทุกคืนแม่สอนข้ามาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นและเองสอนลูกหรือเปล่าอย่าย้อนถามก็สอนเหมือนกันจะ้ะแต่พวกเขาไม่เอาทานเลยสวดไม่ค่อยได้กัน ก็ลูกข้าดีเท่าลูกแม่ซึ่อเมื่อไรล่ะเออไม่ต้องมายกย่องตัวเองให้ข้าฟังหรอกคนมีลูกดีเพราะเขาทำบุญมาดีส่วนเองก็คงจะไม่ค่อยได้ทำบุญยายสอนแม่อยู่แมปแมปว่าไม่ให้ยกย่องตัวเองเสร็จแล้วยายก็มาเป็นซิเองหลานสาวต่อว่ามันเรื่องของข้าเองเป็นเด็กก็อยู่ส่วนเด็ก ผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแต่ข้าว่าก็ถูกของนางจำแรงมันนะแม่มานดาหนุ่มเจริญแย้งเสียงเรียบเองสองคนเป็นแม่ลูกกันก็ต้องเข้าข้างกันเป็นธรรมดายายกล่าวแก้หากแต่แก้ไม่ตกเพราะลูกสาวแย้งอีกว่าแล้วข้ากับแม่ไม่ได้เป็นลูกแม่กันหรือยังไง คราวนี้ยายแซงทำเป็นไม่ได้ยินบอกลูกสาวว่าจะไปสวดมนต์ก็ไปเดี๋ยวนี้แหละจําแรงเองจะไปสวดมนต์กับข้าหรือเปล่ามานดาแม่จวนหันไปถามหลานสาวแม่หรอกจ้าข้าไม่ชอบสวดมนต์ชอบดูลิเก ม, มากกว่าหลานสาวปฏิเสธฟังลูกเองพูดเขาสิ ยายพูดกับแม่จวนแบบประชนิดๆเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้แหละแม่จะให้ดีเหมือนสมัยข้าน่ไม่ได้หรอกพอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของนางจำแลงเห็นทีจะสวดมนต์ไม่เป็นกันแล้วแม่จวนทำนายอนาคตเพราะพ่อแม่มันไม่ทําเป็นตัวอย่างนะสิทำไมจะไม่ทําข้ากับทิศพองพากันสวดมนต์ทุกคืน บอกให้ลูกๆสวดไม่มีใครเชื่อฟังไม่เหมือนไอ้หนูของแม่รายนั้นคงจะสวดได้หมดทุกบทเพราะอยู่กับยายถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็คงไม่เอาทานเหมือนพวกพี่ๆนั่นแหละคราวนี้ยายนิ่งหากพูดความจริงก็เท่ากับประจานหลานชายสุดที่รักครั้นจะพูดไม่จริงยายก็กลัวบาปทางที่ดีที่สุดก็คือ น, นิ่ง แม่ลุกไปห้องพระไหวหรือเปล่าหรือจะให้ข้ากับนางจำแลงช่วยพยุงไปไวส้สิคนอย่างข้าไม่โศกเศร้านานให้บั่นทอนร่างกายและจิตใจของตัวเองรหรอกนางจำแรงถ้าเองไม่ชอบสวดมนต์ก็ลงไปหาเก็บผักหักฟืนมาเตรียมไว้ไม่ชฉรอให้มืดคำแล้วค่อยทายายสั่งล้านสาวแล้วก็เดินนาแม่จวนเข้าไปในห้องพระ เพื่อสวดกรณียะเมตสูตรด้วยกันออกจากห้องพระแล้วแม่จวนจึงพูดขึ้นว่าแม่ข้าอยากรู้ว่าสูตรนี้มีความเป็นมาอย่างไรแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิข้าเคยเล่าให้ฟังแล้ว สมัยพวกเองยังเด็กๆจะไม่ได้หรือลืมหมดแล้วจ้ะเรื่องจำเก่งเนี่ยต้องยกให้แม่กี่ปีกี่ปีก็ยังไม่ลืมนี่ท่าคาอายุเท่าแม่คงจงไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตัวเองเอาละไม่ต้องพูดให้มันเยินเย้อเสียเวลาไปหรอกอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังแล้วยายก็ตั้งต้นเล่าความว่ากรณียะเมตสูตรนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตาปริศเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุห้าร้อยรูปผู้ซึ่งเดินทางมาเฝ้าพระองค์ที่พระเชตวันมหาวิหาร ท, ที่เรียกว่าวัดเชตวันใช่ไ้ยจ๊ะนั่นแหละที่ท่านเศรษฐีอนาถบินทิกาสร้างถวายพระพุทธเจ้าตอนสร้างเสร็จใหม่ๆได้ชื่อว่าอนาถบินทิการาม แต่ต่อมาคนพากันเรียกว่าวัดเชตวันตามเจ้าของชื่อเดิมคือเจ้าเชตวัดนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ทรงจาพรรษาอยู่นานถึง25ห้าพรรษาแม่แม่จำเก่งจริงๆจำได้ละเอียดเสียด้วยคนไปลูกเอ่ยปากชมก็ค่าชอบฟังเทศพระท่านก็ช่างเทศ ข้าก็เลยช่างจําอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ข้าจะจําแม่นกว่าเรื่องอื่นคนความจําดีอัฏฐาทิบายเล่าต่อเธอแม่ทำไมพระพุทธองค์ท่านจึงแสดงสูตรนี้แก่ภิกษุเหล่านั้นจะต้องมีเหตุที่ทำให้ทรงแสดงใช่ไหมจะ๊ะถูกแล้วคือภิกษุห้ารอยรูปนี้ได้มาทูลขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมจากพระพุทธองค์ แล้วจึงพากันไปหาที่สงบเพื่อบําเพนจิตตภาวนาท่านเดินทางไปสู่ป่าซึ่งอยู่แถบภูเขาหิมาลายห่างจากเมืองสาวัตถีร้อยโยอ์และก็ได้ไปอาศัยอยู่ตามโคนไม้ใกล้หมู่บ้านเพื่อสะดวกในการบินทบาดเลี้ยงชีพพวกรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จึงต้องพากันอพยพลงมาอยู่ข้างล่างเพราะมีคุณธรรมน้อยกว่าภิกษุ ตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดว่าท่านคงจะมาพักแกรมเพียงคืนสองคืนแล้วก็จะเดินทางต่อไปครั้นเห็นว่าท่านไม่ไปสักทีจึงพากันมารังควานทาความเดือดร้อนต่างๆให้เช่นส่งเสียงโหยหวนฟังดูหน้ากลัวบ้างแซงทําเป็นผีหัวขาดหลอกหลอนบ้างปรากฏเป็นรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวบ้าง ภิกษุเหล่านั้นก็ขวัญเสียไม่เป็นอันได้บำเพ็ญจิตตภาวนาจึงประชุมตกลงกันว่าจะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพากันเดินทางกลับมายังเชตวันมหาวิหารกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระพุทธองค์จึงตัดกรณียเมตสูตรซึ่งมีใจความสำคัญก็คือให้สัตว์โลกทั้งหลายจงมีเมตตาต่อกัน เมื่อภิกษุเหล่านั้นท่องจําคําสอนได้แล้วก็กลับมายัางที่เดิมและเจริญเมตตากระทั่งรุกขเทวดาเหล่านั้นกลับมาเป็นมิตรด้วยในที่สุดภิกษุห้าร้อยรูปก็ได้บําเพ็ญเพียรจิตตภาวนาโดยไม่ถูกรบกวนจากพวกรุกขเทวดาเหล่านั้นอีกทั้งยังได้บรรลุอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์โดยทั่นทั่วเอวังก็มีด้วยประการเชนี้ สาธุคนฟังยกมือขึ้นพรางกล่าวอนุโมทนาแม่เทศเก่งจริงๆนี่ถ้าเป็นพระคงไม่มีใครเทศสู้ได้ข้าดีใจที่มีแม่เก่งอย่างนี้คนอายุย่างแปสิบห้ารู้สึกเขินจึงว่าเอ็งไม่ต้องมายอข้าหรอกข้าไม่ใช่คนบ้ายอว่าแต่ว่าคืนนี้จะค้างหรือว่าจะกลับละ่ะค้างจัก ข้าตั้งใจจะอยู่เป็นเพื่อนแม่จนกว่าทิดพองจะกลับจากบางกอกแม่คงไม่ว่าอะไรนะจ๊ะข้าจะไปว่าอะไรดีสิอีกจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างน้อยก็ให้นังจำแรงมันเป็นงานเป็นการซะก่อนข้าคนเดียวคงไม่มีแรงสอนมันและแม่ไม่กลัวเปลืองข้าหรอกหรือข้ากินจุนะแม่จวนแ้งเย้ามานดา ข้าวข้ามีตั้งยุ้งเองมีปัญญากินหมดก็ตามใจสินี่ไอ้หนูก็ซ้อมข้าวไว้ให้ตั้งกระสอบลูกข้าคนเนี้มันดีจริงๆลูกข้าตั้งหากล่ะเขาเป็นลูกข้าเป็นหลานแม่ลูกสาวชี้แจงก็ข้าเลี้ยงเข้ามาเขาก็ต้องเป็นลูกของข้าสิถึงจะถูกเรื่องอะไรจะมาตูลลูกคนอื่นเขาไอ้หนูเป็นลูกข้าส่วนลูกแม่น่ะ ทิศสินยังไงล่ะแม่มีลูกชายกี่คนจำได้หรือเปล่าทำไมข่าจะจำไม่ได้โดยเฉพาะคนที่จีเจริญนั่นแะข้าจำได้แม่เลยทีเดียวยายแซงย้าลูกสาวบ้างออาเธอข้าไม่อยากเถียงกับแม่ก็ได้ถ้าแม่อยากได้ไอ้หนูของข้าเป็นลูกของแม่ข้าก็ตัดใจยกให้ว่าแต่ว่าป่านนี้จะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ คำพูดของลูกสาวทำให้ยายคิดถึงหลานชายคนโปรโดขึ้นมาอีกจึงรำพันว่าโธ่ทูลหัวของยายคงจะนั่งหลังกดหลังแข็งอยู่ในเรือแดงขาล่องอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงบางกอกทิดพองเขาว่าจะถึงกี่โมงนะยายถามลูกสาวตีสีจ่จ้ะ ถ้าออกจากบ้านเราบ่ายสองจะไปถึงบางกอกตีสี่ยายนับนิ้วขยุบขยิกอยู่พักหนึ่งแล้วก็ว่าโอ้โหใช้เวลาเดินทางตั้งสิบสี่ชั่วโมงเชียวรึแบบนี้ผู้ใดสารก็พากันเมื่อยแย่บางกอกดิมันไกลจังเลยนะเห็นทิดพองเขาว่าเรือต้องแวะเติมน้ำมันกลางทางด้วยก็เลยทำให้เสียเวลา ข้าไม่คิดจะไปเหยียบบางกอกก็เพราะเหตุนี้เองแม่ละ่ะอยากไปเที่ยวบางกอกกับเขาไหมไม่ละ่ะข้าไม่อยากไปตายในเรือขอตายสบายๆในบ้านเราดีแหละข้าคิดถึงไอ้หนูเหลือเกินพูดแล้วก็ตั้งท่าจะร้องไห้ไม่เอาหนาะถ้าแม่ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวมันก็จะเป็นลางไม่ดีกับไอ้หนูนะ ข้าว่าเราลงไปดายหญ้าในสวนกันดีกว่าหญ้ารกเชียไอ้หนูเขาไม่ค่อยมีเวลาเห็นว่าออกไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดเพื่อหาเงินไปเรียนขยันไม่มีใครเกินละไอ้หนูของข้าคนนี้ดีแล้วละแม่เขาขายันดีกว่าขี้เกียจคนขี้เกียจไปอยู่กับใครเขาก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยลูกั้งท้องข้าก็เห็นไอ้หนูด้แหละ ที่จะเอาดีได้ถ้าอย่างนั้นเราลงไปดูสวนกันเถอะหาอะไรทําซิบ้างจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงไอ้หนูข้องค่ายายบอกลูกสาวและสองแม่ลูกก็จึงพากันลงเรือนไปตะวันกำลังจะรับขอบฟ้า ความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมอนาบริเวณเรือแดงยังคงแล่นล่องไปตามลำน้ำด้วยความเร็วสม่ำเสมอในท้ายเรือจุดตะเกียงรั่วขึ้นสองใบห้อยไว้หน้าลำเรือใบหนึ่งอีกใบหนึ่งห้อยไว้ข้างท้ายผู้คนในเรือพากันกินอาหารที่เตรียมมาส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวข้าวต้มหัวงอกและก็ข้าวหลามด้วยว่าสะดวกต่อการพกพา และยังไม่บูดง่ายพวกเขาต้องกินอาหารในเรือถึงสามมือ้อจึงต้องจัดเตรียมให้เพียงพอจะได้มีหิวกลางทางก็ๆเตื่นเธอเมืดแล้วหนุ่มจเจริญสะกิดคนที่นอนหลับไหลอ ย, อยู่บนตากแม้จะรู้สึกเมื่อยหากก็ต้องทนด้วยเวทนาเพื่อนหนุ่มกัะเชียงงวงเงียลุกขึ้นนั่งปากถามว่าถึงไหนแล้วเนี่ย ข้าหลับไปนานเอ็งคงเมื่อยแย่พูดอย่างรู้สึกเปรงใจไม่เป็นไรข้าทนได้ว่าแต่เอ็งเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมถามอย่างอาทรดีขึ้นมากนี่ถ้าไม่ได้นอนตักเอ็งข้าคงแย่เหมือนกันขอบใจเอ็งมากนะเพื่อนข้าจะขิวแล้ว ล, ะละ่ะเรามากินข้าวกันดีกว่าตกลงข้าเองก็หิว นิยายข้าเตรียมสเสบียงเผื่อเองด้วยนะแม่ข้าก็เตรียมมาเผื่อเองเหมือนกันตอนแรกข้าจะทำไก่ย่างมากินกับข้าวเหนียวอุตส่าห์ข้าไก่ตั้งสองตัวพ่อข้ากลับให้เอาไปถวายท่านสมภารด่าข้ากับแม่ยกใหญ่เลยแกว่าจะเดินทางไม่ควรฆ่าสัตว์เดี๋ยวจะเป็นลางไม่ดีถูกของพ่อเอง เมื่อวานป้าเหลี่ยมก็จะเชือดไก่มาย่างให้ข้าแต่ข้าไม่ยอมก็ด้วยเหตุผลเดียวกับพ่อเองนั่นแหละถึงว่าสิที่ข้าท้องเสียแล้วก็มาเมาเรือคงเป็นเพราะบาปกรรมก่อนเดินทางนี่เองคนพูดใจเสียขึ้นมาอีกช่างเถอะไหนๆมันก็ผ่านไปแล้วกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวข้าจะไปเรียกพ่อข้าก่อนนุ่มน้อยเดินไปหาบิดา แล้วบอกความประสงค์ทิศพองกลับบอกลูกว่ากินกันเถอะพ่อถือศีลแปดแต่วันนี้ไม่ใช่วันพระนี่ครับถึงไม่ใช่ก็ถือได้พ่อตั้งใจจะรักษาอุโบสถศีลตลอดชีวิตแม่เจ้าเขาอนุญาตแล้วถ้าอย่างนั้นผมขออนุโมทนาด้วยครับลูกชายประนมมือนบไหว้บิดาแล้วกลับมานั่งที่ของตน จากนั้นหนุ่มน้อยทั้งสองก็จัดแจงกินอาหารมื้อเย็นกันอย่างอร็ดอร่อยเพราะอยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนได้กันทั้งคู่